ข้อที่35ดีกาแห่งลักษณะสูตรนั้นว่าบทว่าฉันนปริชฉันนาความว่าข้างบนเขามุงด้วยไม้อ้อทั้งหลายโดยท่าทางอย่างมุงด้วยหญ้าโดยรอบบังด้วยไม้อ้อเหล่านั้นเหมือนกันโดยทํานองฝ่าไม้ความสะดุ้งแห่งใจของบุคคลผู้กลัวชื่อว่าพยังเพราะเหตุนั้น พระอัฏฐกถาจาร์จึงกล่าวว่าความสะดุ้งแห่งจิตอันตรายชื่อว่าอุปัทโวก็พระอัฏฐกถาจาร์กล่าวว่าอาการคือความที่จิตพลุงพลาดเพราะความที่อันตรายนั้นเป็นเหตุแห่งความฟุ้งซ่านความขัดข้องคือการประสบความคับแค้นเพราะทำตอบแทนไม่ได้ โดยเหตุมีถูกเทพ ย, ยดาเบียดเบียนเป็นต้นชื่อว่าอุปสักโคก็วงเล็บเปิดยศสมาวงเล็บปิดเพราะการประสบความคับแคนนั้นเป็นเหตุถอแทแห่งบุคคลผู้เดือดร้อนอยู่ผู้ไม่สามารถเพื่อจะทำอะไรอะไรได้เพราะแก้แขนไม่ได้วงเล็บเปิดตาสมาวงเล็บปิดฉะนั้น พระอัตฐกถาจารย์จึงกล่าวว่าอาการคือความที่จิตติดขัดในอารมณ์นั้นนั้น